เคยมีเด็กคนหนึ่งถามท่านติดธนันว่าหนูจะทำยังไงดีเวลารู้สึกเศร้าท่านตินตทธันนี่ก็เป็นพระเซนชาวเวียดนามนะซึ่งคนไทยที่สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมก็คงจะได้ยินชื่อหรือว่าเคยอ่านงานของท่านเพราะว่า มีคนแปลงานของท่านเยอะมากแล้วท่านก็เคยมาบรรยายที่เมืองไทยจัดอบรมก็หลายครั้งปีนี้ปีหน้าคงจะมาอีกตอนนี้ท่านก็ยุดิปสิบกว่าแล้วเรียกว่าหลวงปู่ก็ได้อเด็กถามหลวงปู่ว่าหนูจะทำยังไงดีนะ เวลารู้สึกเศร้าท่านก็ตอบว่าให้เด็กี่ยิ้มให้กับความเศร้าของเธอนี่นั่นเป็นอุบายที่ดีเลยนะยิ้มให้กับความเศร้าเพราะเวลาเรายิ้มเนี่ยไม่ว่าเราจะยิ้มในใจหรือว่ายิ้มที่ใบหน้าเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เกิดความผ่อนคลายเวลาเศร้าเนี่ยจิตใจมันหมอง พอยิ้มแล้วนี่ความผ่อนคลายหรือว่าความเบิกบานก็เข้ามาแทนที่ได้อาจจะเปรียบเหมือนกับท้องฟ้าที่มันเดิมมันมืดครึมแล้วก็มันก็มีแสงสว่างการยิ้มนี่เป็นอุบายที่ดีนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ปฏิเสธความเศร้าที่เกิดขึ้นเวลามีความเศร้าเนี่ยเราจะรู้สึกทุก และทันทีก็จะปลักไสมันพยายามปลักไสพยายามกดก่มอันนี้สำหรับคนที่สนใจปฏิบัติธรรมจะถ้าคนทั่วไปพอเศร้ปุ๊บมันก็จะจมหายเข้าไปในความเศร้าแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวแบบความเศร้าซึมจอมจอมอยู่กับความเศร้า แต่ถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะมีท่าทีอีกแบบหนึ่งนะก็คือผลักไสมันซึ่งการผลักใสนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำให้ความเศร้านี่มันคงอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ายิ่งผลักไสก็ยิ่งยึด ต, ติด เ, เราเกลียดอะไรก็ตามเราไม่ชอบอะไรก็ตามใจก็จะยิ่งคิดถึงสิ่งนั้น ันั้นเกิดว่าไปผักสายความเศร้ารังเกียจมันก็ยิ่งถูกมาเล่นงานมากขึ้นนี่ท่านเต็อาหารก็แนะให้ยิ้มให้กับความเศราวิธีนี้ก็ใช้ได้กับผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่จะบอกว่ายากนะแล้วเด็กจะทาได้ยังไงนะแต่เอาเข้าจริงๆเด็กอก็จะทาได้ง่ายกว่าก็ได้เพราะว่าเด็กนี่เขาไม่คิดอะไรมาก ผู้ใหญ่ก็จะสั่นหาเหตุผลที่จะมาสนับสนุนความเศร้าซึ่งก็ทําให้จมดิ่งเข้าไปในความเศร้ามากขึ้นหรือไม่ก็พยายามปฏิเสธมันก็มีปัญหา พ, พอๆกันหรือถึงแม้เราจะรู้สึกว่าการยิ้มให้กับความเศร้าเป็นเรื่องยากแต่ว่าลองฝึกยิ้มให้กับความเครียดก็ได้พวกเราปฏิบัตินะหลายคนก็จะรู้สึกเครียดนะ เพราะว่ามีความตั้งใจมากกับการปฏิบัติพยายามที่จะเอาชนะความคิดพยายามที่จะเล่นงานจัดการกับความคิดพยายามไปควบคุมความคิดไม่ให้เอาควบคุมจิตไม่ให้คิดก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเดี๋ถ้าเกิดว่าเราลองมีสติสักหน่อยนะลองยิ้มให้กับความเครียดดู ยิ้มให้มันอย่าไปปฏิเสธมันยอมรับนะการยิ้มมันก็เป็นอุบายที่ทำให้จิตใจเราอ่อนโยนไม่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ผลักไสอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ประบวกหรือลบแลซึ่วถึงความเครียดด้วยลองฝึกดูนะยิ้มให้กับความเครียดอย่าไปต่อสู้กับมันจริงการปฏิบัติเนี่ยนะ แต่ที่หลวงวัดเทียนแล้วที่หลวงพ่ออมเขียนแนะนำพา ร, รมเนี่ยถ้าทําถูกมันไม่เครียดนะเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้เฉยๆแค่รู้เฉยๆนั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับสิ่งที่รู้นั้นไม่ต้องไปทําอะไรกับความคิดหรืออารมณ์ไม่ต้องไปต่อสู้กับมันไม่ต้องไปปฏิเสธมันแต่ว่าหลายคน พอทำแล้วก็อยากจะเอาชนะเอาชนะกิเลสเอาชนะความคิดเอาชนะความฟาุ้งซ่านและพ อ, อชนะไม่ได้ก็จะเครียดเกิดความไม่พอใจถ้ามีสติสักหน่อยก็รู้ทันแล้วก็ยิ้มให้กับความเครียดนั้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัก 3- าสครั้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ จะเริ่มต้นสร้างจังหวัดหรือเริ่มต้นเดินจงกรมก่อนเดินก็ยิ้มสักหน่อยอาจจะยิ้มในใจก็ได้ถ้ากลัวคนเห็นยิ้มในใจก็ช่วยได้อย่าให้การปฏิบัติเป็นเป็นนําไปสู่ความเครียดหรือว่าถึงเครียดก็ให้รู้แล้วก็ยอมรับอย่าไปต่อสู้กับมันไม่งั้นเนี่ยอาจจะเผลอทําอะไรที่แย่หรือยิ่งไปกว่าความเครียดก็ได้ หลวงพ่อคำเขียนเคยเล่าให้ฟังนะนะเจอมีเพื่อนักปฏิบัติคนหนึ่งนะทีแรกก็ปฏิบัติดีๆนะท่านก็ตั้งใจซะด้วยแต่พอปฏิบัติไปสักพักอา้าวเห็นเอารองเท้าตบหัวตัวเองเอารองเท้าฟาดหัวตัวเองหลวงพ่อก็เลยทักว่าทําไมทำอย่างนั้นพาลุงนังก็ต่อบว่าเนี่ย มันคิดมากเหลือเกินนะไอ้หานี่อทำไมคิดมากอย่างนี้เดียกขึ้นหาขึ้นนั่งขึ้นสะบทเลยนะแล้วก็ฟาดนะคือเหมือนกับว่าจะลงโทษตัวเองอธิรัตั้งใจจะฝึกเพื่อให้มีสติเพื่อให้รู้ตัวแต่ทําไปทําไปกลับไม่รู้ตัวนะให้อตอนที่เอารองเท้าฟาดหัวตัวเองเนี้ยคือไม่รู้ตัวแล้ว ไม่รู้ตัวเพะอะไรเพราะว่าเกลียดชังความเครียดอยากจะเอาชนะมันโกรธที่มันเครียดโกรธที่มันฟุง้งที่แรกจะไม่เครียดนะที่แรกมันฟุ้งก่อนนะฟุ้งแล้วไม่ชอบความฟุง้งไม่ชอบความคิดที่มันออกมาก็เลยพยายามบังคับมันพอบังคับไม่ได้ดังใจมันก็เครียดพอเครียดแล้วนีนะ่มันก็ลุกลาม ก็ยังไม่รู้ทันก็ยังทำต่อไปความเพียรก็เลยกลายเป็นความโกรธในความพยายามที่อยากจะชนะความฟุ้งซ่านความคิดมันก็ทำให้ยิ่งเครียดมากขึ้นหลวงพ่อขมเขียนท่านบอกว่าเนี่ยสตินี่นะมันมันถ้าทำแล้วเนี่ยมันสดชื่นนะเห็นความคิดแล้วมันยิ้มเลยสตินี่เห็นความคิดสตินี่ยิ้มเลยนะ ไม่เกลียดชังเดี๋ยวเพื่ออย่า ง, งคือว่าเราต้องต้องรู้จักยิ้มให้กับความคิดความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นอย่ากเกลียดความคิดหรือว่าสิ่งที่มันรักคิดนะยิ้มให้กับความคิดนะยิ้มให้กับความฟุง้งซ่านนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะถ้าทําถ้าเจริญสติเป็นเนี่ยสติมันน ะ, นะทําให้ใจเบา สตินี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับความคิดคุ้งซ่านมีแต่จะยิ้มให้นะ ถ, ถามตัวเราเองถามใจเราเองว่าเรายิ้มให้กับความคิดได้หรือเปล่าถ้ายิ้มยังไม่ได้นะก็แสดงว่าเรายังวางใจไม่เป็นต้องเริ่มต้นจากการวางความคิดนะที่จะหยุดคิดนะอย่างที่พูดไปสองวันก่อนนะที่หลวงปูดด่โนท่านนะ นายโยมนะคนหนึ่งซึ่งเครียดเพราะว่าพยายามหยุดความคิดจนกระทั่งแน่นหน้าอกปวดหัวจนกระทั่งมึนท่านก็บอกว่าให้ล้มเลิกความคิดที่จะหยุดคิดซะทันทีที่เกิดความอยากที่จะคิดเกิดความอยากที่จะหยุดคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิดอีกแบบนึ่งแลยนะ หลวงพ่อมเขยนเรียกว่าคิดซ้อนคิดนะอย่างที่พระรูปนั้นที่เอารองเท้าฟาดตัวตัวเองเนี่ยก็บ่นขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมมันคิดมากเหลือเกินอันนี้เป็นการคิดซ้อนคิดอีกเหมือนกันนะคิดซ้อนคิดนั่นมันไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวมันมีอารมณ์ต่อเติมขึ้นมาด้วยให้เราวางใจให้เป็นนะทําใจให้สบายสบาย นะวางความอยากวางความคิดที่จะเอาชนะความฟุ้งซ่านหน้าที่ของเราก็เพียงแต่รู้เฉยๆนะรู้อย่างเดียวนะรู้โดยไม่ต้องทำอะไรคิดดีคิดชั่วก็รู้เฉยๆนะหรือจะใช้คาถาว่าช่างมันก็ได้ช่างมันคิดดีคิดไม่ดีก็ช่างมัน นะอันนี้ก็เป็นเป็นอุบายนะที่มีประโยชน์มากสำหรับนักปฏิบัติไม่เป็นไรช่างมันนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็หยุดปฏิบัติไม่ใช่ก็ยังทำต่อไปนะมันเผลอคิดไปก็รู้ตัวกลับมา แล้วก็เดินหน้าต่อไปไอ้ที่คิดเมื่อสักครู่นี้มันคิดเรื่องอะไรก็อย่าไปกลับไปถามกลับไปสาวว่ามันคิดอะไรทำไมถึงคิดความคิดของคนเรานี่มันซับซ้อนมากนะบางทีปฏิบัติไปปฏิบัติกำลังปฏิบัติอยู่ดีๆก็ถามตัวเองขึ้นมาว่านี่เรากาลังคิดอยู่หรือเปล่านะเนี่ย อันนี้เรคิดซ้อนคิดนะ น, นี่เรากาลังคิดอยู่หรือเปล่านนะก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งธรรมดานะก็ปฏิบัติไปนอกจากความการยิ้มให้กับความคิดเหลือความเครียดความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นแล้วผัสสะที่มากระทบจากภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะก็ยิ้มให้กับเขาด้วย จะเป็นมแมลงจะเป็นแดดร้อนฝนตกนะเสียงดังนะก็ยิ้มให้ยิ้มในใจก็ได้มันจะช่วยทำให้ใจเราไม่เครียดมันจะช่วยค่อยๆน้อมใจเราให้รู้จักเป็นกลางวางใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการ เป็นการฝึกใจให้รับมือกับภัตตาต่างๆพูดถึงการรับมือกับภัตตานะที่สร้างความทุกข์หรือสร้างปัญหากับเราไม่ว่าจะมาทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพวกนี้เนี่ยพรนะเจา ก, ก็ได้มอบเครื่องมือให้นะเครื่องมือที่เรียกว่าใช้การได้ถ้ารู้จักใช้ เครื่อมือที่ว่าก็มีแค่สามนะคือศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาหรือว่าไตรสิกขาเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็หมายถึงบันไดสามขั้นของการฝึกตนคือที่แรกก็ฝึกที่กายวาจาก่อนด้วยศีลด้วยข้อวัดด้วยสิกขาบทนไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือว่า วินัยของพระเนี่ยมันเป็นเรื่องการฝึกกายวาจาแล้วต่อมาก็ฝึกจิตให้มีสมาธิให้มีส ต, ติตรงนี้เราก็เรียกว่าอาทิจิตตสิกขาหรือว่าการฝึกจิตซึ่งบางทีก็เรียกสั้นๆว่าสมาธินะคำว่าสมาธิในตรีสิกขานี้ไม่ได้ไหมายถึงการนั่งสมาธิอย่างเดียวจะหมายถึงการฝึกจิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเจริญเมตตาภาวนาไม่ว่าจะเป็นการาฝึกสมาธิหรือว่าการเจริญสติขั้นที่3ก็คือปัญญาก็คือการฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมเรื่องใจรักนะเห็นความจริงที่มันแสดงตัวเป็นกระบวนนําไปสู่ความทุกข์เกิปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น รวมทั้งการที่รู้จักใช้ปัญญาแก้ทุกข์ได้นี่คือายศึกษาในความหมายที่เป็นบันไดาสามขั้นของการฝึกฝนแต่ว่าในแง่หนึ่งายศึกษาเนี่ยมันยังหมายถึงกำแพงสามชั้นก็ได้กำแพงสามชั้นที่ใช้รับมือกับผัสสะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราคนเราจะทุกข์เนี่ยก็เพราะเมื่อมีผัสสะนะ ก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงรินได้ลดจมูกได้กลิ่นนะกายได้รับสัมผัสหรือว่าจิตรับรู้อารมณ์ถ้าไม่มีภาษาเกิดขึ้นก็ไม่มีคําว่าทุกข์อย่างเช่นเวลาเราหลับเนี่ยถ้าเราเกิดเราหลับแบบหลับลึกนะมันไม่มีทุกข์ น, นะแต่ถ้าเกิดฝันนะเกิดฝันขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดทุกข์แล้วเพราะว่าจิตมันไปรับรู้อารมณ์ที่ปรุงแต่งขึ้นมา ความทุกข์ใจของคนเรานะหรือแม้กระทั่งความทุกข์กายเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเพราะฉะ้ผัสสะเนี่ยมันสามารถจะเป็นต้นทางเห็นความทุกข์ได้แต่ว่าถ้าเรารู้วิธีจัดการกับผัสสะนะมันก็ทําให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางหรือว่าไม่มีทุกข์เลยก็ได้และวิธี ที่จะจัดการกับภัษานี่ก็มีอยู่สามอย่างกายสิกขาศีลสมาธิปัญญาซึ่งอาจจะหมายถึงกำแพงสามชั้นก็ได้กำแพงชั้นแรกคือศีลนะศีลเมื่อเราใช้เมื่อเราควบคุมกายวาจารหรือเรารู้จักบังคับกายวาจานะมันก็ทำให้มีปัญหาจากภัษะน้อยเช่น เราไม่ไปรับรู้มันเราไม่ไปรับรู้มันแค่นี้นีก็ช่วยลดความลดปัญหาไปได้เยอะแล้วสมัยหนึ่งพระนรนได้ถามพระ เ, เจ้าซึ่งตอนนั้นก็อยู่ในช่วงปลายประชนชีพแล้วว่าควรมีภิกษุควรมีท่าทีอย่างไรควรทำอย่างไรกับกุ บ, บาสิการหรือมาตุคาม รูปเจ้าก็บอกว่าข้อแรกก็อย่ามองข้อที่สองถ้าจะต้องมองก็อย่าพูดอย่าคุยด้วยนะการอย่ามองหรืออย่าคุยนั่นก็คือเรื่องของศีลนั่นแหละนะว่าศีลเป็นเรื่องของการฝึกฝนกายวาจาหรือการควบคุมกายวาจาไม่มองซะหรือว่ามองแต่ว่าไม่คุยด้วยนะนี่ก็จัดว่าเป็นเรื่องของศีลหรือหรือวัดอย่างหนึ่งนะ ควาศีนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะศีล5้าศนะีลแปดเท่านั้นนะความหมายกว้างๆคือการควบคุมบังคับการควบคุมฝึกฝนกายวาจาเช่นไม่มองไม่คุยนะหรือว่าโกรธใครก็ตามก็ไม่พูดไม่ดา่านะไม่กล่าววาจาส่อเสียดนะอันนี้ก็จัดว่าเป็นเรื่องของศีลนะเวลามีผัสสะ อันนี้ก็เวลามีผัสสะที่จะทําให้เกิดความทุกข์นะขั้นแรกคือว่าก็พยายามหลีกเลี่ยงนะไม่ไปรับรู้ซะนะบางทีเราจะเห็นภาพนะหรือว่าเห็นรูปปั้นลิงสามตัวตัวหนึ่งก็ปิดตาตัวหนึ่งก็ปิดหูตัวหนึ่งก็ปิดปากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกนะในทางศีล แต่ว่าเท่านี้ไม่พอนะเท่านี้ไม่พอนะศีลเนี่ยมันต้องมีกำแพงอีกชั้นหนึ่งหรือเครื่องมีอีกตัวหนึ่งก็คือสมาธิสมาธิในที่หมายถึงการฝึกจิตนะหรือว่าการรู้จักบังคับหรือควบคุมหรือกำกับจิตอย่างเช่นการมีสตินี่ก็ใช่พระเจ้าเนี่ย ก็ได้พูดต่อไปนะสืบเนื่องจากคำถามของพระอนนท์ว่าเนะี่ยถ้าเจอมาตุคามกอ็อย่ามองถ้ามองถาอ้าต้องมองก็อย่าพูดคุยด้วยแล้วก็สุดท้ายถ้าจะต้องพูดคุยด้วยก็ให้พูดคุยอย่างมีสติตรงนี้แหละนะอ่าก็คือเรื่องของการฝึกหรือการควบคุมจิตหรือการกำกับจิต ซึ่งทำได้หลายวิธีวิธีนี้ก็คือการมีสติอันนี้จัดว่ามันมีหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่เราคุ้นเคยที่เขาเรียกว่าอินทียสังวรอินทียสังวรนี่นะมันหมายถึงการรักษาจิตไม่ให้บาป อ, อกุศลธรรมครอบงำนะเมื่อรับรู้อารมณ์ทางอาตนาทั้งหก อินเสียสังวรนี่ไม่ได้แปลว่าควบคุมกายควบคุมตาควบคุมหูนะแต่ว่าหมายถึงการดูแลรักษาใจไม่ให้บาปหรืออกุศลธรรมเข้ามาครอบงำใจได้คือเมื่อรับรู้นะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือนึกคิดรับรู้อารมณ์ทางใจ ก็รักษาใจให้เป็นปกติไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงหรือว่าไม่ให้กิเลสตัณหา โ, โโาโทสะโลภะโทสะมันครอบงมจิตใจได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าจะใช้วิธีหลีกเล่นหนีผัสสะจะรับรู้แต่ผัสสะที่มันสบา ย, ยาเช่น ในเมืองมันวุ่นวายนักที่บ้านในครอบครัว ม, มันก็ทึกงคึโครมนักฉันหนีมาที่นี่ฉันหนีมาที่นี่ก็จะไปคิดว่ามันจะปลอดพ้นจากสิ่งรบ ก, กวนหรือว่าเสียงที่ดังนะอยู่ที่นี่ก็มีเสียงดังอยู่นะบางทีก็มีเสียงรถยนต์บางทีก็มีเสียงประกาศในหมู่บ้านบางวันก็ฉายหนังกลางแปลงในหมู่บ้านกระหึ่มมาถึง ทั้งวัดนะในตอนกลางคืนเราไม่มีทางที่จะหลีกหนีผัสสะได้พ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะผัสสะเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลกิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าความนึกคิดก็าตามวิธีการยิ้มนะให้กับความเครียดยิ้มให้กับความฟุ้งซ่านนี้แล้วก็เป็นการใช้อา วิธีการอันที่สองนะก็คือเรื่องของสมาธิหรือว่าอธิจิตตสิกขาก็คือการารักษาใจหรือการใช้อุบายเพื่อจะรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ว่าใจมันจะนึกไปถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้โกรธที่ทาให้เศร้าแต่พอมีความเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็ ม, มีสติรู้ทันหรือว่า สามารถจะยิ้มให้กมันไดนะ้แต่ว่าเท่านี้ก็ยังไม่พอนะมันต้องมีอีกตัวหนึ่งนะกำแพงชั้นสุดท้ายก็คือปัญญาหรือว่าการรู้จักมองนะอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่านอกจากเราจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่า เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้แม้จะเป็นผัสสะที่ปกติแล้วทำให้คนมีความทุกข์เช่นทำให้เกิดราคะทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดความหดหู่แต่ว่าคนที่มีปัญญาหรือว่าคนที่รู้จักใช้ปัญญาเนี่ยก็สามารถจะใช้ เห็นประโยชน์นะจากสิ่งที่รับรู้ขึ้นมาได้อย่างที่เคยเล่าเรื่องของพระนักสมานเถระท่านไปบินทบาทตอนเช้าขณะที่กำลังบินตบาทอยู่ดีดดนะก็มีขบวนแห่แล้วก็มีผู้หญิงฟ้อนฟ้อนรำแต่งกายอย่างสวยงามประดับประดาด้วยเครื่องด้วยดอกไม้ด้วยเครื่องประดับวิจิตบรรจง แล้วก็เต้นรำอย่างสวยงามคนทั่วไปถ้าได้เห็นเนี่ยก็จะเกิดราคะนะหรือว่าเกิดตัณหาขึ้นแต่ว่าท่านนักสมมานี้ถท่านมีปัญญานะถ้ารู้จักมองขณะที่ท่านเห็นผู้หญิงนะกำลังฟ้อนรำปรากว่าท่านกลับมองว่านั่นนะคือบ่วงแห่งมัจจุราชนะ นั่นคือวงแห่งมัจุระหรือวงแห่งมารพอท่านเห็นเช่นนั้นเนี่ยนะท่านก็เกิดเห็นโทษของสังขารแล้วความเบื่อหน่ายนะความหน่ายในสังขารก็เกิดขึ้นแล้วท่านก็หลุดพ้นตรงนั้นเองหลุดพ้นก็คือเป็นพระอรหันต์กลางถน น, นนั่นเองทั้งที่ท่านเห็นภาพซึ่งน่าจะชวนให้เกิดราคะแต่ปรากฏว่าท่านกลับเกิดปัญญาขึ้นมา หรือว่าท่านสามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะภาพหรือรูปที่เห็นอันนี้ก็เรียกว่าท่านใช้ปัญญานะท่านไม่ได้ปิดตาท่านไม่ได้หันหลังให้นะแต่ว่าในการที่ท่านเห็นแล้วท่านสามารถที่จะมองให้เห็นเป็นธรรมะไดนะ้อันนี้ต้องเรียกว่าใช้ปัญญาบางท่านที่เจอหนักกว่านั้นนะนะท่านสุนทรสมุต ไปเจอผู้หญิงคนนึงนะซึ่งหลงรักท่านมากก็แต่งตัวสวยงามมาเกี่ยวพาราศีท่านอาจจะเรียกว่าถึงขั้นลวนลามก็ได้ไม่ถึงขั้นลวนลาม ข, ขั้นเล้าโลมนะมาชวนท่านให้ศึกให้ราสิกขาบอกว่าเนี่ยจะยกทรัพย์สมบัติให้เลยนะให้เรามาอยู่ด้วยกันตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวต้องคู่นะคู่ควรกันให้มาให้มาอยู่ด้วยกันหรือมาเสพกามกันก่อนน ะ, ะพูดตรงตแบบนี้เลยนะ แล้วก็แก่แล้วค่อยค่อยสืบไปบวชก็แล้วกันพวกท่านสุนทรส ม, มุทรนีได้ได้ฟังแล้วก็ได้ยินอาจจะได้กลิ่นได้ซ้ำนะเพราะว่านางก็มีเครื่องหอมประดับประดาแต่พวกว่าใจเนี่ยไม่ได้คล้อยตามเลยท่านกลับมองเห็นว่าเนี่ยโอ้เนี่ยคือบวงแห่งมัจจุราชหรือบวงแห่งพยา ม, มารอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน พอท่านเห็นเนี่ยท่านก็เกิดเห็นโทษในสังขารนะเกิดวิราคะคือเกิดความรู้สึกจางคลายจิตก็หลุดพ้นตรงนั้นเองนะหลุดพ้นต่อหน้านะาหญิงคนนั้นได้สซ้ำอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าแม้ว่าจะเจอภาพหรือว่าได้รับรู้สิ่งที่สามารถจะกระตุ้น กามาราคายเกิดขึ้นได้แต่เมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยมันกลับเป็นประโยชน์นะกลับทำให้เกิดความเห็นแจ้งนะในในโทษของสังขารและจิตก็หลุดพ้นได้ทั้งการใช้สมาธิก็ดีการใช้ปัญญาก็ดีเป็นเสมือนกําแพงชั้นที่2ชั้นที่3มหรือว่าเป็นเสมือนเครื่องมือ ในการรับมือกับภัสสะนะที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมด้วยการหนีโลกนะแต่เรายังสามารถเที่ยอยู่ในโลกได้แล้วก็สามารถที่จะใช้สมาธิและปัญญาใช้สติและปัญญาในการที่จะรับมือนะกับสิ่งต่างๆที่มากระทบ คนที่คิดว่าจะปฏิบัติปฏิบัติธรรมแล้วนี่ต้องต้องเด็กเล้นนะต้องไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยบางทีพเจ้าก็ตำหนินะก็เคยมีพรามอยู่คนหนึ่งเราคุยอวดว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัตินะด้วยการที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รับรู้อะไรนะ พุทเจ้าบอกว่าเนี่ยการทำเช่นนี้ไม่ต่างจากคนที่ตาบอดถูดนวัวนะเมื่อมีตานะก็ควรจะเห็นนะเมื่อเมื่อมีจมูกก็ควรจะได้เปลี่ยนเมื่อมีหัวควรจะได้ยินแต่ว่าต้องรู้จักใช้ให้เป็นการใช้ให้เป็นะไม่ไปรับรู้สิ่งที่มันกระตุ้นราคะหรือกระตุ้นโทสะนี่เป็นเรื่องของศีล น, นะอย่างเช่นเราอาจจะใช้วิธีนี้กับลูกหลานของเรา นะไม่ให้ไปดูโทรทัศน์ไม่ให้ไปดูรายการที่มันกระตุ้นราคากระตุ้นความรุนแรงหรือกระตุ้นให้เกิดโลพะนะวิธีนี้พ่อแม่ก็ใช้กับลูกบ่อยๆไม่ให้ไปดนะูบางรายการมีการเซนเ ซ, นเซอรนะ์อันนั้นก็เรียกว่าเป็นการเป็นการฝึกในระดับศีลนะคือให้รู้จักใช้ ตาหูจมูกให้เป็นแล้วก็รู้จักควบคุมมันแต่ไม่พอนะเราต้องรู้จักควบคุมหรือฝึกจิตของเราด้วยคือแม้ว่าจะต้องเห็นจะต้องได้ยินนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่กระเพื่อมนะใจไม่ถูกครอบงําด้วยโลภะโทสะหรือโมหะในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยนะก็ การจดจัสติของเราเนี่ยก็ควรต้องมาถึงจุดนี้ด้วยนะก็คือว่าเราไม่ปฏิเสธนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เรารับรู้ไม่ว่าทางตาหูจมูกนิ้วกายใจแต่เราจะมีสตินะเพื่อรักษาใจไม่ให้อ่กระเพื่อไม่ให้อ่ถูกคร่อมงำด้วยอารมณ์หรือว่ากิเลสเหล่านั้นซึ่ง บางครั้งเนี่ยนะมันก็ต้องหมายถึงว่าการที่เราลองเข้าไปเจอกับภาษาเรานั้นดูบ้างนะไม่ใช่หนีแต่พึ่ตะพือไม่ใช่แต่ภาษาที่เป็นรูปร่กินเสียงเท่านั้นนะบางทีไอ้ความเจ็บสิ่งที่เราเวทนานะความเจ็บความปวดความเมื่อยเราก็ต้องลองฝึกดูด้วยนะ คนธรรมดาหรือคนทั่วไปเวลามีความปวดความเมื่อยใจก็เป็นทุกข์ใจก็เกิดความหงุดหงิดนะไม่ชอบมันมีความรู้สึกปฏิเสธหรือความรู้สึกชังเวทนานั้นเราก็ลองฝึกตัวด้วยนะว่าเออแม่มีความปวดความเมื่อยมีทุกขเวทนาแต่ว่าเราก็ยังรักษาใจให้เป็นปกติได้คือปวดแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วย รักษาใจด้วยการมีสตินะเห็นความปวดนะไม่ใช่ผู้ปวดหรือว่าอาจจะยังไม่มีสติพอที่จะเห็นเวทนาเพราะว่าเขาไปดูเวทนาทีไรนะมันดูดหายเข้าไปทุกทีแล้วก็เลยปวดทั้งกายปวดทั้งใจอ้าทําทำนี้ไม่ได้ ถ้ายังดูเวทนาไม่ได้ก็มาดูมาดูใจว่ามารู้สึกยังไงต่อเวทนาลองทําให้ใจเป็นกลางดูให้ใจเป็นกลางต่อเวทนาให้เป็นให้ใจมารู้สึกเป็นปกติต่อความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จัดว่าเป็นอินทสียสังวรได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นอ่าเป็นการบ้านสำหรับการฝึกสติที่เราควรมาทดลองใช้ด้วยนะ แต่ใหม่ๆเนี่ยนะเวลาปวดเวลาเมื่อยก็ก็ควรขยับนะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเวลาปวดเวลาเมื่อยขยับหรือว่ายืดขานี่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกสติมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็ลองนะเอาความปวดความเมื่อยนี่เป็นเป็นการบ้างหรือเป็นอาจารย์นะว่าเออมันจะมันจะสอนเราให้มีสติ มากน้อยแค่ไหนนะถือว่าเป็นการบ้านฝึกดูเวทนาที่เราเวทนานุปัสสนาหรือว่าฝึกดูจิตนะจิตตานุปัสสนาการจดสติของเรานี่มันไม่ใช่เพียงแค่รู้ทันความคิดเท่านั้นนะแต่ต้องรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเกิดทุกขเวทเวลาเกิดทุกขเวทนาด้วยต่อไปถ้าเรา ถ้าสติของเราพัฒนานะเรารู้ทันอารมณนะ์ไม่ปล่อยให้ความโกรธความความชังมันเกิดขึ้นกับใจหรือถึงเกิดขึ้นก็ดูมันจนกระทั่งมันดับหายไปเราก็มาดูเวทนาต้องซ้อมแบบนี้นะอ ย, อย่าเอาอย่าเลือกแต่วิธีที่มันสบายเพราะถ้าเลือกแต่วิธีที่สบายนะก็เรียกว่า าบา ร, รมีไม่เกิดฮนะอย่าง เ, เช้าเนี่ยนะไอความปวดความปวดความเมื่อยที่ขาอันนี้ก็เป็นคันธรรมาณแบบหนึ่งนะบางคนปวดเมื่อยมากเนี่ยก็ไม่สู้ยอมแพ้อันนี้ก็เรียกว่าพ่ายแพ้ต่อมานแต่ว่ า, าเราก็ควรจะถือว่า จะลองสู้กับมารตัวนี้ดูนะขันธมารนะความปวดความเมื่อนี่แหละแต่ก็ต้องสู้ด้วยปัญญานะถ้าสู้ด้วยถ้าถ้าไม่ใช้ปัญญานี่มันก็อาจจะกลายเป็นโทษนะคือทำให้ร่างกายย่ำแย่ลงก็ได้เราก็ต้องต้องรู้กำลังของตัวเองนะว่าเราจ ะ, ะมีกำลังสู้กับขันธมารได้มากน้อยแค่ไหนบางครั้งการสู้แบบสู้แบบ ไม่ใช่ปัญญานี้ก็สร้างปัญหานะอย่างพระโสนโกริวิสาเนี่ยท่านเป็นคนที่มีฝ่าเท้าบอบบางมากเรียกว่าเป็นพวกสุุมารชาติแต่ท่านมีความเพียรมากแล้วก็มีศรัทธามากด้วยท่านก็เดินจงกรมทั้งวันเลยแต่เดินจงกรมได้ไม่นานนะฝ่าเท้าก็แตกฝ่าเท้าแตกท่านไม่ยอมเลิกนะ ท้องยังกัดฟันเมื่อเดินไม่ได้ท่านก็คลานเอาเลยนะแล้วก็ก็ทุกทรมานมากนะจากการปฏิบัติกายก็ปวดใจก็ไม่ได้พัฒนาเลยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าท่านวางใจผิดด้วยนะแต่พอะพุทธเจ้ามาแสดงธรรมนะในเรื่องของอการดีดพินเพราะว่าพาสสนโกริวิษณนี่เป็นเป็นนักดนตรีนะ เป็นคนที่ชำนาญในการดีดพินรู้จ้าก็มามาถามพระโสนาว่าเนี่ยไอสายพินถ้าหาว่าขึงให้ตึงเนี่ยมันเพราะไหมไม่เพราะแล้วถ้าขึงให้หย่อนเนี่ยมันเพราะไหมมันก็ไม่เพราะมันต้องขึงให้พอดีพอดีใช่ไหมรู้จ้าก็บอกเนี่ยให้ทําให้ทําความเพียรแต่พอดีนะทําความเพียรแต่พอดี อันนี้ไม่ใช่ทางสายกลางนะคําว่าพอดีอ น, นี่มันมีคําเรียกว่าวิริยสมัตาวิริยสมตาคือความเพียนแต่พอดีเพียนมากไปมันก็เหมือนกับสายพินที่ตึงเกินไปไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าขี้เกียจนะมันก็เหมือนสายพินที่หย่อนต้องทําความเพียนแต่พอดีอันนี้ก็ทําให้ท่านพอท่านวางใจได้ถูกก็บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ อันนี้ก็ก็เรียกว่าถึงแม้ว่าสังขารท่นจะไม่ให้นะแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะปฏิบัติจนกระทั่งปฏิรุ ธ, ธรรมเป็นผ้ารหันได้งนั้นการปฏิบัติธรรมต้องใช้ปัญญาด้วยแล้วก็วางใจให้เป็นนะขยันอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะต้องวางใจให้ถูกด้วยหรือว่ามีความเพียรแต่พอดี